สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตขั้งที่สามสิบเอ็ดเรื่องวิถีสู่แดนผู้ตายและวิถีสู่ชีวิตเพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที 5, ่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกโปรดฟังพจะนะของพระเจ้าลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของเรา จงเงี้ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเราเพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุ ข, ขุมรอบคอบและลิมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้เพราะลิมฝีปากของหญิงแพทยยาหวานปานน้ำผึ้งและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ท้ายที่สุดนางขมยิ่งกว่าบัวเพชคมยิ่งกว่าดาบสองคมเท้าของนางนำไปสู่ความตาย ย่างก้าวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝังศพนางไม่สนใจทางแห่งชีวิตวิถีของนางวกบนไร้จุดหมายแต่นางไม่รู้เลยพี่น้องครับทุกครั้งที่กระส่าโซมอนเขียนถึงลูกหลานพระองค์ก็จะใช้คําว่าบุตรชายของเราเอ่ยไม่เพียงแต่ลูกหลานผู้ชายเท่านั้นนะครับสุภาพสตรีเช่นเดียวกันครับและในขณะเดีวยวกันคําว่า บุตรชายของเราเอ๋อนั้นได้มีความหมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นเรียกว่าอายุน้อยกว่าพระองค์ท่านผู้ที่อยู่ในเชื้อสายเหล่ากอผู้ที่อยู่ในความเป็นเครือข่ายนะครับของพระองค์ท่านที่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้ว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นท่านตั้งใจที่จะเขียนนะครับเขียนเพื่อที่ให้เกิดปัญญา ต่อลูกหลานของพระ อ, องค์ที่นี่บอกว่าจงตั้งใจต่อปัญญาของเราจงเอียงหูฟังความเข้าใจของเราพระกัมพีใช้คว่าฟังการอย่างรู้ของเราเมื่อเราเอียงหูของเราตั้งใจนะครับฟังพระเจ้าเมื่อเราตั้งใจอ่านพระวจะนะของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดความเข้าใจครับและในขั้นเดียวกันครับคำว่า pay attention นะครับ ก็คือความตั้งใจตั้งใจต่อปัญญาและความอย่างรู้จึงจะเกิดความเข้าใจพี่น้องครับคนที่มีความเข้าใจนั้นเขาจะมีการเอาใจใส่เอาใจใส่ต่อปัญญาเอาใจใส่ต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะคีรักฉลาดเพื่อที่เขาจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นก็จะแสดงถึงกุืนความสามารถ ถึงความรู้ที่เขามีอยู่ในสมองของเขาในตัวของเขาเปนครับในข้อที่สามนะครับภาษาอังกฤษแปลว่าริมฝีปากของผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นปัญญาของคนอื่นรลายหลยคำอธิบายนะครับใช้คาว่าหญิงโสเพณีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นหญิงโสเเณีเนี่ยเขามีสามีครับแต่ความเชื่อ หรือความตั้งใจในการดำเนินชีวิตของหญิงพวกนี้ที่เพิ่งพี่บอกว่านำไปฉู่แดนผู้ตายโดยไม่รู้ตัวก็คือเขานั้นมีความเพิดเพลินอยู่ในความบากครับเขามีความเพลิดเพลินกับชีวิตนอกสมรสซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเพศพิ่งพีใช้ควาว่าลิมฝีปากของผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของคนอื่นนั้นน่าจะหวานปานน้าผึ้งครับหวานปานน้าผึ้งคาว่าหวานปานน้าผึ้งนั้น มันไม่ใช่เป็นรสชาติของผู้หญิงที่สัมสอนนะครับที่จะรับจากผู้ชายแต่เป็นรสชาติที่ผู้ชายจะรับจากผู้หญิงพี่น้องครับลิ้นผีป่าของผู้หญิงสัมสอนเป็นผู้หญิงโสเพณีเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของอื่นนั้นก็หวานครับนะครับและการจูบของเธอก็นิ่มนวล น, นุ่มนวลครับดังน้ำมันน้ำมันในที่นี้หมายถึงน้ำมันมะกอกครับ พี่น้องถ้าใครเคยกินน้ำผึ้งกับอิสราเอลและน้่นมันมาเกอะ ก, กับอิสราเอลก็จะสัมผัสถึงรสชาติความละมุนนุ่มนวลของมันครับแต่พังพีกล่าวว่าในที่สุดแล้วเมื่อทุกอย่างจบลงหญิงแคชยานางก็จะปล่อยเราไว้อย่างไม่มีอะไรเหลือครับและพังพีบอกว่าเหลือก็เหลือแต่ความขมขื่นและความเจ็บปวดรวดราวเหมือนกับดาบสองคมมาแทงนะครับ เหมือนกับดาบสองคมมาแทงยิ่งไปกว่านั้นความขมขื่นตรงนี้พังผืดบอกว่าขมขื่นยิ่งกว่าบราเพ็ดครับความเจ็บปวดนะครับที่เกิดขึ้นเหมือนกับดาบสองคมที่เสียดแทงเข้าไปในหัวใจและในร่างกายของชายที่คบกับหญิงชั่วตรงนี้เราจะรู้นะครับว่าพังผืดได้พูดไว้แล้วครับใครก็ตามที่ไปมีอะไรกับผู้หญิงเหล่านี้ เขาก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นครับเพราะว่านางจะพาเขาเข้าไปในวิถีแห่งความตายที่จรงคับหลายใครั้งทีเดียวเราเพลิดเพลินนะครับมนุษย์บางคนคนบางคนนั้นเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตแบบนี้ซึ่งเขาหารู้ไม่ว่าเขากําลังเข้าสู่วิถีแห่งความตายแทนที่จะเข้าสู่วิถีแห่งชีวิตท่านพี่ใช้คําว่าแดนผู้ตายนะครับซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเราลงไปในแดนผู้ตาย หมายคําว่าอยู่ข้างล่างนะครับก็คือน่าจะเป็นดินแดนที่มีการร่องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝันมากกว่าจะหมายถึงดินแดนที่เรียกว่าเมืองบ ร, รมสุกเกษมนะครัตอง น, นี้ครับถือว่าเป็นระยะที่คนเราเวลาตายไป น, นะครับเราจะไปสองที่นะครับแดนผู้ตายฝ่ายดีกับแดนผู้ตายฝ่ายไม่ดีแดน ผ, ผู้ตายฝ่ายไม่ดีเขาเรียกว่าแดนคนตายครับ แดนผู้ตายฝ่ายดีเขาเรียกว่าเมืองบรมสุกเกษมซึ่งพระเยซูพูดกับโจรก่อนที่โจนจะตายก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนพระเยซูพูดกับโจนครับบอกว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมแน่นอนครับสิ่งที่พระปัญญาหรือผู้เขียนสุภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้หญิงพวกเนี้เขาไม่รู้ว่าเขาหลงทางอยู่เหมือนกับ คนป่วยที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับระยะหนึ่งสองไม่รู้เรื่องแต่พอระยะสามสี่ครับกำลังจะตายแล้วก็ค่อยรู้ขึ้นมาค่อยค่อยรู้ขึ้นมาไม่เพียงแต่นั้นครับคนที่ไม่รู้ว่าเขาหลงทางอยู่นั้นก็เหมือนกับคนบ้านะครับหรือคนเมาที่บอกว่าเขาไม่บ้าฉันไม่บ้าและในขณะกันครับเขาก็ ใช้คำว่าผมไม่เมาหรือภาษชาบ้านก็คือว่ากูไม่เมานั่นเองพี่น้องครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับรักษายากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางอยู่รักษายากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองป่วยก็จะไม่ไปหาหมอคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าก็ต้องไปให้หมอวินิจฉัยกินยาและรักษาอาการต่างๆต่อไปพี่น้องครับ สุภาษิตนั้นเขียนว่าผู้หญิงพวกนี้เขาไม่รู้ว่าเขาหลงทางเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะครับไม่รู้ว่าอะไรกัมันจะเกิดขึ้นกับเขาชีวิตของนางนั้นวนเวียนไปมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆครับการวนเวียนไปมาอย่างนี้หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะไต่ระดับขึ้นมาสู่สู่ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้สู่การพัฒนานตัวเอง ซึ่งจะต้องกลับใจใหม่และและทิ้งความบาปการกลับใจใหม่แล ะ, แ ล, ะและทิ้งความบาปผมได้พูดมาหลายครั้งนะครับเป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนครับเป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมดัดระวังชีวิตของเรานะครับให้มีความเฉลียวฉลาดนะครับคาพูดของเราที่สแสดงออกมาก็จะรู้ถึงภายในว่ารเราเป็นคนอย่างไรและเราต้องระมัดระวังครับไม่ให้ชีวิตของเรานั้น ตกอยู่ในการล่วงประเวณีหรือสําหรับผู้หญิงก็คือการครบชู้สู่ชายสําหรับผู้ชายก็คือการมีภรรยาน้อยเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับหากเกิดขึ้นกับใครผมขออนุญาตเตือนครับด้วยความรักก็คือเราต้องรีบกลับใจใหม่นะครับคนบางคนกําลังคิดวางแผนนอกใจใครบางคนนะครับเพื่อที่จะได้คนอื่นมา ตรงนี้ก็ต้องจับใจใหม่เช่นเดียวกันครับเพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตนะครับของตัวเองนั้นติดตามนางลงไปสู่แดนผู้ตายครับเพราะนางนั้นใช้มารยาล่อลวงคนของพระเจ้าเราต้อตงรักชีวิตของเรานะครับที่จะไม่เสียไปและหลายครั้งทีเดียวผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำคริสตจักรที่ตกลงไปในความบาปเช่นนี้ชีวิตของเขานั้นจะเสียไปทั้งหมดครับและกระทบกับครอบครัวลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นพระอัมนิพิทักษพสิทธิ์นะครับสามารถสรุปเตือนเรานะครับไม่ทําผิดเรื่องเพศด้วยเหตุผลสารประการด้วยกันครับเหตุผลประการแรกก็คือว่าต้องระวังเสน่ห์นะครับของผู้หญิงต้องระวังการล่อลวงต่างๆเสน่ห์ของผู้หญิงนั้นในพระอัมนิพิถูกนํามาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างที่โยงไปถึงการทดลองต่างๆที่ทําให้ลูกของพระเจ้าหลงผิดและทําให้ลูกของพระเจ้านั้นละทิ้งการส่แสวงหาสติปัญญา เพื่อที่จะเอาสติปัญญานั้นมาคุ้มครองตัวเองครับจริงครับเพราะว่าความรู้นะครับความรู้ที่ไม่ได้ถูกใช้ก็ไม่มีประโยะชน์เช่นเดียวกันครับความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่นะครับหลงผิดและเราจะต้องไม่ละทิ้งการสอบสวัยหาสติปัญญาประการที่สองครับก็คือการผิดศีลธรรมทางเพศทุกรูปแบบนะครับ การผิดนี้มีอันตรายร้ายแรงครับเพราะว่ามันทําลายชีวิตครอบครัวกระตอนประสิทธิภาพในการรักครอบครัวลดคุณค่าของความเป็นคนทางการสุดท้ายครับการผิดศีลธรรมทางเพศก็เท่ากับทําผิดบัญญัติของพระเจ้าต้องระวังนะครับเพราะว่าวิถีแห่งความตายนั้นก็จะนําไปสู่แดนผู้ตายแดนมรณาแต่วิถีของพระเจ้านั้นของพระเยซูนั้นเป็นวิถีแห่งชีวิตครับ สุดท้ายผมอยากจะฝากข้อมูีข้อนี้ไว้นะครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพอยบิดาได้เว้นไว้มาทางเราอาเมน